พูดเรื่องรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้ถูกต้องด้วยการทำความดีนะอยู่ในศีนลเราเว้นความชั่วเพราะว่าถ้าทำชั่วนี่ก็เท่ากับเป็นการสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองและผลร้ายมันจะเกิดขึ้นมากกว่าผลได้หรือผลดีนะที่คาดหวัง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 หรืออย่างที่เราได้สาธยายเมื่อกีน้นี้ต้องมันเจริญเมตตาเป็นประจำเจริญเมตตาภาวนาเมื่อกี้เราก็ได้สาธยายอนิสงส์ของการเจริญเมตตาจิตนะเช่นใบหน้าผ่องใสเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์อมนุษย์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 อุปชาก็จะบอกว่าอะไรนะช่วยเหลือผู้อื่นเหรอช่วยเหลือตัวเองดีกว่าผู้บ่วยก็จะถามว่างั้นกรุณาแนะนําว่าจะช่วยเหลือตัวเองหรือว่ารับใช้ตัวเองอย่างไรอุปชาก็จะตอบว่าก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นไงล่ะนะ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 ก็ไม่ถึงกับดึกมากกันนะแต่ว่าพอเสร็จทุรัมก็มืดซะและ้วก็ต้องรีบกลับวัดระหว่างทางก็ต้องเดินเข้าซอยซอยนั้นก็มืดมากแล้วคนก็เยอะด้วยปรากว่าเดินชนชนโน่นชนชนคนหลายคนทีเดียวพอมองไม่เห็นอะไรเลยแต่สักพักก็มองไปไกลเห็นโคมไฟสว่าง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 พรก็เลยถามเอางั้นท่านถือโคมไฟทําไมพระก็บอกว่าก็ท่านเองก็สังเกตไม่ใช่หรือพบด้วยตัวเองไม่ใช่หรือว่าท่านกว่าจะเดินถึงตรงนี้เดินชนคนต้องเยะแย ะ, แยะเพราะมันมืดข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนนี่เวลาเดินเข้ามาในซอยนี้ก็มีคนมาเดินชนแต่ตอนหลังก็ได้ทราบว่า ที่เขาเดินชนเพราะเขไม่เห็นแสงสว่างก็เลยจุดโคมขึ้นมานเพื่อว่าคนเขาจะได้เห็นแสงสว่างพระก็บอกว่าโอ้ท่านมีเมตตามากนะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อหรือว่าคิดถึงผู้อื่นชายตาบอกก่าเปล่ก็บอกว่าเปล่าเลยนะข้าพเจ้าคิดถึงตัวเองมากกว่านะเพราะว่า ตอนที่ไม่ถือโคมนี่มันก็มีเดินคนมาเดินชนเยอะนะแต่ว่าพอถือโคมแล้วนะให้แสงสว่างแก่ผู้คนก็ไม่มีใครมาเดินชนเขบาเจ้าอีกเลยนะคือชายตาบอลเนี่ยนะถือโคมเพื่อผู้อื่นให้คนตาดีเนี่ยมองเห็นมองเห็นทาง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 ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้รับความสุขด้วยอันนี้เป็นความเข้าใจที่คนสมัยนี้นึกไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ที่จริงนี่มันเป็นภูมิปัญญาหรือทีเดียวเคยมีทีมถ่ายหนังสารคดีนะเขาไปถ่ายทําสารคดีในต่างจังหวัดในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งระหว่างที่ พักผ่ออยู่ก็มีคุณป้าคนหนึ่งถือปลาพวงใหญ่มาคุณป้าก็รู้จักทีมถ่ายทำสารคดีนี้ก็เลยถามคำถามหนึ่งว่าเออหนูรู้ไหมไอ้ปลาพวงนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะกินได้นานคนในกองถ่ายเขาก็ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองก็คิดแล้วก็ตอบกันคนละอย่างสองอย่าง คนก็บอกว่าก็เอาไปตากแดดอีกคนก็บอกว่าไปทําส้มไปหมักอีกคนก็บอกง่ายๆแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไงนะกินได้นานคุณป้าบอกว่าตอบผิดหมดเลยนะทํำยังไงนะต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านที่ทั่วถึงนะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านทั่วถึง้ทีมกองถ่าก็งงนี่ถ้าเราไปแบ่งเอาปลาแบ่งให้คนอื่น มันก็เหลือน้อยสินะยิ่งแบ่งมากเท่าไหร่เราก็มีเหลือกินน้อยลงนะคุณเป้าบอกหรือเปล่าเลยนะถ้าเราไปแบ่งให้เขานะถึงเวลาเขามีเขาก็แบ่งมาให้เรานะอันนี้แหละคือวิธีที่จะกินได้นานนะการเอาปลาไปให้เขาก็คล้ายๆกับการเอาปลาไปฝากไว้ในท้องเขานะออมสินนะหลวง ท้าจาพุทธาก็เคยพูดนะอาหารที่เรากินเนี่ยถ้าเรากินมันก็กินวันนี้มันก็ตอนเย็นมันก็ทายเป็นขี้แล้วแต่ถ้าไปเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นกินบ้างมันจะอยู่ในใจเขานานเลยอาหารที่เรากินวันเดียวมันก็กลายเป็นขี้ไปแล้วแต่ถ้าเราแบ่งให้หรือให้หมอบให้กับผู้อื่นมันจะอยู่ในใจเขา นานไม่ใช่แค่วันเดียวอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนนะฉะันเขาจึมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันซึ่งยิ่งเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนกับเป็นสวัสดิการให้กับตัวเองจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะที่ที่มีภูมิปัญญาแบบนี้นะเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ฟังอ่าเรื่องราวของเกษตรกรคนนึงในรัฐโอไฮโออเมริกา เขาเขาสามารถที่จะเพาะพันธุ์ข้าวโพด ท, ที่ดีมากเลยพันธุ์ของเขานี่มันเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดได้รางวัลเยอะแล้วเขาก็เอาพันธุ์ของเขานี่แหละมาปลูกซึ่งก็ขายดีมากแต่ว่าสิ่งที่เขาทาให้เหมือนใครเขคือว่าเขาเอาพันธุ์ที่เขาพัฒนานี่แหละไปแจกให้กับ เพื่อนบ้านนะที่ปลูกนะในละแวกเดียวกันนะคนก็แปลกใจเอ๊ะเอาไปใจใ่ายเขาทําไมเอาไปใจใ่ายคนอื่นเดี๋ยวก็มีคู่แข่งเลอีกคนบางคนก็แค่โอนีอ่คนนี้เขาใจดีนะก็เอื้อเฟื้อเผื่ อ, อแผ่ต่อเพื่อนบ้านต่อชาวไร่ด้วยกันก็มีคนไปถามว่าทําไมก็ถึงเอาพันธุ์ดีเนี่ย ของเขานี่ยไปแจกทําไมไม่หวงเลยเ้าก็ตอบว่าข้าโพดของเขาเนี่ยนะมันจะมีลมเนี่ยพัดมาจากพัดละอองเกษรจากไร่ข้างๆเนี่ยแล้วก็มาผสมเกษรกับข้าโพดของเขาถ้าเกิดว่าไร่ข้างๆเนี่ยไร่ที่อยู่ล้อมอๆเนี่ยมันเป็นพันธุ์ไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะส่งผลทําให้ ข้าวโพดในพันในในในในไร่ของเขาเนี่ยมันแปรมันกลายพันธุ์ด้วยนะเพราะว่าละอองที่ลอยมาเนี่ยมันเป็นละอองละอองเกสรจากพันธุ์ที่ไม่ดีพอมาผสมกับข้าวโพดพันธุ์ของเขาแล้วคุณภาพมันเสื่อมลงในวิธีที่จะช่วยทําให้คุณภาพของข้าวโพดเขาเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีก็คือว่าต้องทําให้ ข้อโพด ท, ที่อยู่รอบเนี่ยรอบรอบนี้คงเป็นกิโลกิโลนะอาจจะหลายกิโลด้วยนะมันเป็นข้อโพดพันดีเมื่อรอบรอบเป็นข้อโพดพันดีแล้วก็มั่นใจได้ว่าข้อโพดในแปลงของเขาก็จะเป็นพันดีด้วยอันนี้มันเห็นเลยนะว่าการที่เราเนี่ยนะจะมีความเจริญจะประสบความสําเร็จหรือว่าจะมีความผาสุกเนี่ย จะค so our ิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้มันต้องคิดถึงคนอื่นด้วยแล้วต้องช่วยช่วยเขาเพราะว่าความสุขของเรากับความสุขของคนอื่นมันแยกจากกันไม่ออกความสําเร็จของเรากับความสําเร็จของคนอื่นก็แยกจากกันไม่ออกอันนี้มันก็มันก็ตรงกับที่พระเจ้าตัดนะว่ารักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับช่วยเหลือตน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 นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราได้ซ้ำํำแต่แน่นอนถ้าเรามีเจตนาดีเจตนาบริสุทธินะ์การที่เราช่วยเหลือผู้อื่นมันก็ทําให้เกิดผลดีทั้งกับผู้รับและผู้ให้เช่นการการให้ทานนะถ้าเราให้ทานเนี่ยโดยที่เราไม่ไม่หวังผลอะไรเลยที่จะเอาเข้าตัวแต่ว่าให้เพื่อประโยชน์กับผู้รับนะ อันนี้เป็นการให้ทานที่ประเสริฐนะเพราะพระเจ้าก็สรรเสริญนะพระองค์เคยตรัสว่าทานที่มีอา น, นิสงส์ไม่มากหรือทานที่มีอา น, นิสงส์น้อยคือทานที่ให้ด้วยใจที่มีเย่อใหญ่ให้ด้วยจิตผูกพันให้ด้วยหวังสั่งสมบุญหรือว่าหวังสวย ส, สุขในภพหน้าอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกทำเพื่อให้เกิดผลดีกับตัวเองก็ได้บุญนะแต่ว่าได้น้อย ถ้าหวังว่าได้นู่นได้นี่นี่อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นเป็นการเป็นการกระทาที่ถูกต้องบางทีพระองค์ก็ตัดด้วยว่าคนที่หวังมีหวังเป็นหวังมีหวังเป็นก็คือหวังปรำหวังรวยหวังอยากจะได้นู่นได้นี่เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ว่าทำอะไรแม้จะ ทำบำเพณญปัญญาหสมาบัติแปก็ถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาจากคนที่ไม่หวังเลยไม่หวังมีหวังเป็นอะไรเลยไม่ว่าจะให้ไม่ว่าจะทําอะไรหรือให้ของแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสัมมาปฏิปทาน <c oughs> การให้เนี่ยมันจะได้บุญหรือไม่จะเป็นสัมมาหรือมิจฉาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อาการนะแต่อยู่ที่ใจนะว่าให้ด้วยความหวังใ ห, ให้ด้วยความคาดหวังอะไร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 ถ้าผู้ชายก็ขายแรงงานถ้าเป็นผู้หญิงก็ขายตัวแต่ถ้าเขามีทางเลือกที่ดีมีความรู้มีการศึกษาหรือว่ามีชุมชนที่ดีเขาก็ไม่ไปประกอบอาชีพที่เสี่ยงอันตรายก็เรียกว่าทำงานมาอุทิศตัวนะเพื่อส่วนรวมนี่มากทำมา17ปีแล้ว19ปีลวถึงปีนี้ปีที่19แล้วบอกว่าเธอยังมียังมีชีวิตยอยู่โดยที่ไม่ติดเชือ้อหรือว่าไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อเลย ไอติดเชื้อมีแต่ว่าไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อเลยนะแต่ว่าอยู่ไม่ได้จนหนึ่งปีที่สิบเก้าแล้วคนที่ติดเชื้อแล้วก็อยู่นานมีหายากนะก็มีคนถามเธอว่าพี่ทํางานมากๆแบบนี้เนี่ยพี่ไม่กลัวป่วยเหรอหรือไม่กลัวตายเหรอเธอตอบดีเธอตอบว่าถ้าทันคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยฉันป่วยเป็นนานแล้วหรือตายเป็นนานแล้วพูดดีนะ ถ้าฉันคิดแต่ตัวเองนี่ฉันป่วยไปนานแล้วคล้ายๆกับเมื่อวานนี้ที่พูดถึงคุณลุง<ม>คุณลุงที่พูดกับสาวญี่ปุ่นที่จะฆ่าตัวตายวันนี้คนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายทั้งนั้นคือถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันจะทุกข์ง่ายแต่ถ้าคิดถึงผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะไม่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยนะก็จะ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 จะจะเห็นความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยใหญ่กว่าความทุกข์ของตัวแล้วก็คิดอยากจะช่วยเหลือเขาให้จิต ท, ที่มีเมตตาแล้วก็ได้ลงมือทาเนี่ยก็ทำให้มีสุขภาพจิตดีมีภูมิคุ้มกันดีให้ภูมิคุ้มกันที่จะเลยงอกงามนะมันก็คงมีส่วนไปช่วยกดเชื้อ HIV เชื้อเอชไม่ให้อลาวาลุกลามเธอก็เลยมี สุขภาพกายดีด้วยให้การช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันจะว่าไปแล้วนี่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่สุขภาพกายท่าสุขภาพจิตด้วยแล้วก็สามารถจะเป็นการพัฒนาตนได้ด้วยนะมีเด็กคนดนึงชื่อน้องได้นะแก่24แลิมีคนช่วยไปเป็นจิตอาสาบ้านปากเกรด็ดบ้านปากเกร็ดนี่มี คือบ้านที่รับเอาเด็กที่ถูกทิ้งตั้งแต่3เดือนจนถึง 8-9 ขวบบางทีแม่ก็ทิ้งเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวบางทีก็เอามาฝากไว้ก่อนก็เขาต้องการอาสาสมัครเยอะน้องได้นี่ก็ไปเป็นอาสาสมัครอาทิตย์ละสองครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งเนี่ยนะแต่ไปเป็นประจำบอกว่า แม่นี่เห็นความเปลี่ยนแปลงแม่บอกน้องได้นี่นิ่งสุ ข, ขุมขึ้นนะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะฟังคนอื่นได้มากขึ้นแต่ก่อนคงทะเลาะกับแม่เป็นประจำนะแต่พอน้องได้ไปปมาจิตอาสาแล้วน้องได้นี่นิ่มอ่านิ่งมากนะใจเย็นไม่ทะเลาะไม่มีปากเสียงกับแม่เหมือนเมื่อก่อนคล้ายๆกับอีกคนนึงชื่อ ก, กบก็เป็นนักธุรกิจนะ ตามแฟนมาแฟนมาเป็นจิตอาสาก็มาเป็นบ้างบ้านปักเปก็นปรากฏว่าใจเย็นขึ้นนะแต่ก่อนชอบ b u o y วยใส่ลูกน้องตอนหลังลูกน้องแปลกใจว่าเ อ, อพี่ลูกพี่นี่ใจเย็นนุ่มนวลทําไมยังเป็นอย่างนั้นนะทำไมนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาดูแลเด็กเนี่ยมันก็ต้องใจเย็นนะดูแลเด็กก็ต้องอดทน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 เวลาเลี้ยงเด็กเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับปรุงให้เขามีพัฒนาการที่ดีไอาการพยายามช่วยให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีเนี่ยมายถึงพัฒนาการทางอารมณ์มันนะมันก็มีส่วนขัดเกลาจิตใจเราให้อ่อนโยนด้วยถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมแท้ๆเลยน ะ, ะคือพอเราไปช่วยเหลือเขามันก็กลายเป็นการช่วยเหลือตัวเราโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ อันนี้เรียกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะครับมันก็ถ้าใครที่รักตัวเองเนะี่ยอยากจะให้ตัวเองนี่พัฒนานะีมันก็ต้องคิดถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความด้วยเจตนาที่เป็นเมตตานะเดี๋ยวไปคิดว่าการไปช่วยเหลือผู้ผอื่นนี่มันมีแต่ขาดทุนนะ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 เขาจะได้อะไรทําแล้วส่วนรวมจะได้อะไรทำแล้วจะเกิดขึ้นอะไรกับส่วนรวมเกิดขึ้นอะไรกับเขานะคิดแบบนี้อันนี้เมื่อกี้กกได้ยกตัวอย่างนะที่ผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนจริงๆก่อน น, น, นั้นผู้เจ้าก็ตัดว่ารักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นอันนี้ก็สําคัญนะอย่างการรักษาตน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 หนักแค่ไหนอันนี้ก็เพราะว่าสามีนี่ไม่ดูแลตัวเองเลยนะไม่ดูแลโดยเพราะดูแลจิตใจตัวเองไปช่วยเขาเสร็จแล้วตัวเองกังวลตัวเองเครียดพอเสร็จหรือในสมองแตกเปาะนี่นะมันกลายเป็นภาระผู้อื่นเลยเงั้นคนเราเนี่ยนะเวลาจะช่วยใครเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําหรือต้องทําไปพร้อมๆกันคือว่าดูแลตัวเองไปด้วย มีอีกลายหนึ่งนะสามีภรรยาเหมือนกันภรรยาสามีนี่ขับรถพาภรรยากลับกรุงเทพปรากฏว่ากลางคืนรถพลิกควม่มภรรยานี่อ่าพิการพิการนะรู้สึกว่าตั้งแต่คอลงมาเลยสามีก็เสียใจมากนะก็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 มีตอนหลังเนี่ยเครียดจัดขนาดที่เรียกว่าทุบตีภรร ย, ยานะทุบตีขาเอ า, เอามือทุบขานะแต่ภรรยายไม่รู้สึกเจ็บนะเพราะาอาาัมาาตแต่แกโกรธแกแกเครียดมากเนะี่ยเครียดแล้วก็ระบายใส่ภรรยายอันนี้เรียกว่าแทนที่จะดูแลภรรยายนะกัดทําร้ายภรรยาเพราะอะไรเพราะว่าไม่รักษาใจตัวเอง